ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในตู้วันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพดิบทที่เราจะมาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งตัวบ่ฝังแล้วเราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่จะทำให้เกิดปัญญาที่ประผู้มีพระพากเจ้าได้ ปัญญาตังต้งแต่งแจกแจงไว้ทรงต่อสืบทอดผ่านมาทางสาวกทั้งหลายจนมาถึงข้าพเจ้าพระมหาภัยบูญหาพี่ปุนโนด้วยความร่วมมือของมูลนิธิปัญญาภาวนามานำเสนอให้ทัุ้ฝังได้ฟังกันวันนี้เรามาฝึกทำสมถะคือทำจิตให้มีความสงบกันโดยใช้เครื่องมือคือลมหายใจของเรา ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือทำให้เกิดความสงบขึ้นในภายในเฮ้บางทีเราก็มีความฟุ้งซ่านบ้างมีความวุ่นวายใจบ้างเฮ้ตอนนั้นเราก็หายใจอยู่นะเออทำไมการหายใจครั้งนั้นๆไม่ได้สามารถทำจิตให้สงบได้ประมาณตเป็นทักษะเงินบ่วงเหมือนกับรถนี่คุณมีเงินคุณก็ซื้อได้รถยนต์นี่มอเตอร์ไนี่ แม่แต่ซื้อมาแล้วครับเป็นแม่ก็ต้องฝึกต้องหัดทุกคนเป็นเหมือนกันเรามีลมหายใจอยู่ร่างกายของเรามันต้องการลมมันก็มีลมหายใจเร็วบ้างช้าบ้างอันนี้ตามแต่สถานภาพลักษณะกิจกรรมของร่างกายในที่นี้เราไม่ได้ฝึกการหายใจแต่เรามาฝึกจิตโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้มาสังเกตลมตะวันตกไม่ต้องตามลม ไม่ต้องบังคับลมสังเกตนี่หมายถึงดูเฉยๆดูเฉยๆใช้คําากําหนดดูก็ได้ใช้กําากําหนดรู้ก็ได้ใช้คําาพิ้งจดจ่อก็ได้ใช้คําาเอาใจใส่ก็ได้ใช้คําาสอดส่องดูก็ได้สังเกตดูนั่นแหละต้นเบรบไวเหมือนกับยาม security c a r d ยามรัปรพอ เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูลิฟต์บ้างประตูทางเข้าบ้างประตูใหญ่บ้างประตูน้อยบ้างสังเกตดูคนเข้าคนออกแต่ว่าไม่ตามไปไม่ตามไปดูเฉยเฉยนะี่แหละเหมือนกันเราดูลมดูเฉยเฉยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเราดูลมแล้วด้วยเหมือนกันนะส่วนทางใจว่า จะมีความคิดบ้างมีเสียงบ้างใดๆผ่านมาเราไม่ต้องตามเสียงไม่ต้องตามความคิดเหล่านั้นไปให้สังเกตดูลมไว้ถ้าตามความคิดตามเสียงบ้างตามภาพ บ, บ้างมันจะลืมลมลืมลมแล้วก็คือเพลินไปตามความคิดละเวลาเพลินไปเผลอไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจิตเรามันขาดสติ เวลาเราจะกำหนดตั้งสติกลับมาก็าหายใจลึกๆสักสองสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นสติก็กลับมาทันทีสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้แม่นานได้ในที่นี้เราใช้ลมการมาระลึกถึงลมนั้นๆันนะ่ะ คือสติการลืมลมไปนั่นน่ะคือเผลอสติเผลอไปอะไรโอ้ยเวลาจิตมันจะเผลอไปมันเผลอไปได้ก็ทางจมูกไปตามกลิ่นทางลิ้นก็ไปตามรสทางความคิดนึกก็ไปทางช่องทางใจถ้าเผลอไปตามภาพก็ไปทางตา6ช่องทางนี้เท่านั้นที่เวลาจิตมันจะเผลอเปลินไปมันก็จะไปตรงนี้ ในที่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือไม่ให้ลืมไม่ให้เผลอไม่ให้เพลินไม่ให้หลงไปตามความคิดบ้างอะไรบ้างแต่ให้อยู่กับลมหายใจเราเลึกได้นั้นอยู่ได้นั้นคือสติลมหายใจไม่ใช่สตินะทุกฝังลมหายใจคือลมเฉยๆเป็นส่วนของกาย เรามาเห็นลมคือเห็นกายนี้ก็เป็นกายยฆ่าตาสติก็เป็นกายานุปัสสนาสติปฐานก็เป็นการเห็นกายในกายเราเห็นลมเรารับรู้ถึงสัมผัสคือความรู้สึกได้มันก็เป็นเวทนาเรามาดูตรงความรู้สึกก็เป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นเวทนานุปัสสนาสติปฐานเกิแล้วอะไรที่มันมาอยู่กับลมนี่ล่ะก็จิตเรานี่แ่ละ จิตเราบางที่ก็วุ่นวายบ้างจิตเราบางที่ก็สงบบ้างจิตเราบางที่ก็ฟุ้งซ่านบ้างจิตเราบางที่ก็คิดนึกนั่นนี่บ้างนิ่งบ้างจิตที่มันมาอยู่กับลมเห็นจิตตรงนี้ก็ชื่อว่าเห็นจิตในจิตไงเห็นลมก็เจอจิตด้วยเหมือนกันจิตลมมาอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันนั้นก็คือสติไงสติก็อยู่ตรงที่จิตมาอยู่กับลมนั่นแหละ สติการระลึกได้อยู่ตรงนั้นหาอาการที่จิตมาระลึกถึงลมได้อาการนี้เรียกว่าสติสติลมและจิตมันจึงอยู่ด้วยกันอยู่เรือแล้วเป็นไงทุกวันมันก็จะไม่เปลือเพลินไปตามสิ่งต่างๆมีเสียงได้ยินยุ่แต่ไม่เปลนตามไปเพราะไม่ลืมลมมีความคิดนึกอื่นเรื่องอดีต บ, บ้างอนาคต บ, บา้ตบบางคนนั้นคนนี้บ้าง คิดไหมคิดอยู่แต่ลืมลมไหมไม่ลืมก็คือไม่เปลือไงไม่เปลินไอ้ที่ว่ารับรู้ถึงความคิดนึกต่างๆได้แต่ไม่ลืมลมการรับรู้น่ะคือวิญญาณวิญญาณมันจึงแยกกับความเปลินแยกกันด้วยสติอะไรเงี้ยทุกฝั่ ง, งสติจึงเป็นหลักที่สําคัญตีจะทําจิตกอรัให้สงบระ ง, งับเยน็นนิ่ง ไม่สะดุ้งสเตือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่ได้ยินของความคิดนึกที่อยู่ในใจหรือภาพที่เห็นต่างๆก็ตามให้เรารักษาจิตที่มีความสงบรักษาจิตที่มีสตินี้เอาไว้ให้ดีอา้าวละก็มาฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบ กันมาสักครู่หนึ่งท่า น, นี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทมีพระปาด้วยปัญญาอันยิ่งทันใดบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยแจกแจงอธิบายขยายความเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนตา่างยกอุปมาอุปไมมีตัวอย่างการใช้งาน ได้อธิบายเอาไว้ที่ท่านอธิบายไว้นั่นประวา่าด้วยความเป็นพระผู้มีประภาคคือจำแนกแจกธรรมการแจกแจงก็คืออย่างนี้แหละปัญญาขึ้นอธิบายขยายความสงเครห์บ้างวิเคราะห์บ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจความเข้าใจนี้หมายถึงปัญญาเป็นระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้อง คือตัวต่านมีปัญญาอยู่แล้วจะส่งต่อม่อปัญญาให้เราได้ก็โดยการเทศบอกสอนแสดงธรรมเราจะรับปัญญามีส่วนแห่งความรู้คือวิชาที่ท่านได้รู้แล้วเราก็ฟังสิ่งที่ท่านเทศท่านบอกท่านสอนไว้ถึงในทุวนพุทธทุฟังเรามาทำหน้าที่ของเรา ด้วยการฟังธรรมะสิ่งที่เป็นแม่บทเหล่านี้ท่านทำหน้าที่ของท่านไปแล้วเถิเอบอกสอนครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ของท่านไปแล้วในการบอกต่อในการแสดงให้เหมือนกับที่ท่านสอนไว้บอกไว้เรามาทำหน้าที่ของเรา2ข้อด้วยกันคือฟังด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วย จึงในช่วงใต้ร่มปฏิบัตินั้นก็พระเจ้าก็จะจัดให้มีการทำสมาธิสั้นๆสักหนาทีสิบนาทีตอนเริ่มรายการเพื่อให้จิตเรานั้นมีความสงบมีความนุ่มอ่อนเหมาะแล้วเราก็มาฟังธรรมะทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทเหล่านั้นวันนี้ก็จะพูดถึงฐานะเจประการที่พูดถึงฐานะเจประการนั้นเป็นประตูที่ มาในสังยุตตานิายเกี่ยวกับเรื่องของขันหะหือสเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกูฟังแล้วก็สัปดาห์ก่อนนู้นด้วยสัปดาห์ก่อนนู้นข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องฐานะสีประการที่ว่าเราจะรู้กันได้ถ้าเรื่องศีลก็โดยการอยู่ร่วมกันจะรู้กันได้ถ้าเรื่องความบริสุทธิ์ก็โดยการพูดจาเรื่องกำลังจิต ก็ตอนที่ตกอยู่ในสรรนการเรื่องปัญญากุดิการสนทนาใช่ไหมฐานะต่อไปอีกก็เอาฐานะสี่ประการนะยะอื่นฐานะสามประการฐานะหนึ่งประการฐานะห้าประการอีก2อนัยะเป็น4ี่สาหนนี่ไม่ได้ให้หวยนะทุกฝัง่งนะแต่มันยังขาดเจ็ดอยู่วันนี้ก็จึงนำเรื่องฐานะเจ็ดประการมาพูดคุยให้ฟัง มานในพระสูตรที่ชวาสัตตฐานาสูตรเป็นพระสู ต, สตรสัรส้นๆโัฟังไม่ยาวแต่นุ่นเลยนะถึงอรหรนันนุ่นน่ะถึงนิพพานนุ่นเลยนะสั้นๆนี่สองสามหน้าแม้แต่ถ้าจะพูดไปแล้วคำสอนก่อนพระพุทธเจ้านี่แม้แต่แค่บรรทัดเดียวข้อความเดียวก็บรรลุทําได้แต่ว่าถ้าจะแจกแจงกันให้ละเอียดครบถ้วนนี่กับประชาชนฐานะเจ็บปะการนี้ าผูฟังครบท้ววแน่นอนคือนี่เป็นยอหอดของทุกสิ่งทุกอย่างเลยทนังหมายถึงมันจะทำให้เราเกิดปัญญามีความเข้าใจลึกซึ้งฐานะเจ็ดประการมีอะไรก็คือยกเรื่องขันห้าขึ้นมาก่อนว่าเวลาที่เราจะรู้สิ่งต่างๆเข้าใจด้วยปัญญาเกิดความรู้แจ่มแจ้งแบบว่าระดับได้ปริญญาเนะี่ย คนที่จะจบปริญญามันต้องอยู่ที่สาขาวิชาแล้วใช่หมอก็เรียน7จ็ดปียังต้งต่อไปอีกแต่เป็นสถาปัป์ก็5ปีศตวแพทย์ก็หปีเพศศาสตร์ก็เท่านั้นปีวิศวะก็เท่านี้ปีถึงชื่อเรียกว่าเป็นระดับปริญญาใช่ไหมโหแล้วก็ปริญญาโทนี่ก็ต่อไปอีกปริญญาเอกก็ต่อไปอีกเนี่ยจะได้ปริญญา ว่าปริญญาที่เขาเอาไปใช้สําหรับบัณฑิตที่เรียนจบนั้นก็มาจากคําในภาษาบาลีคำว่ังปริญญายะหมายถึงการรอบรู้ความเข้าใจจะเรียกว่ารอบรู้เข้าใจอะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งได้ก็ต้องรอบรู้เข้าใจในเจดอย่างนี้นี่ตาในเจประการขอโหัวข้อซะก่อนนะคาว่าง ก็คือหนึ่งเราต้องรู้ตัวมันว่าตัวมันเป็นยังไงสิ่งที่เราจะไปรู้เข้าใจเนี่ยมันคืออะไรลักษณะมันยังไงข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็ต้องรู้ถึงเหตุเกิดของเขาว่าเขามีเหตุเกิดมาอย่างไงข้อที่สมก็ต้องรู้ถึงความดับว่าสิ่งนี้มันจะตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเมื่อสุกรุน่นี่คือมันเกิดมาได้ไปไอะไรงไงใช่ไหมแล้วถ้ามันจะดับไปหายไป มันได้เพราะอะไรและข้อที่4ก็คือวิธีการที่ถึงความดับคือความดับนั้นหมายถึงเป็นจุดหมายส่วนวิธีการจะให้เป็นอย่างนั้นต้องทํำยังไงมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแล้วก็ที่5นั่นก็คือรถอร่อยรถอร่อยหมายถึงข้อดีที่จะให้เราเกิดประโยชน์กับเราได้อย่างไรและข้อที่6นั้นคือ ข้อเสียหมายถึงโทษอันต่ําซามโทษอันต่ําซามหมายถึงมันจะมีโทษกับเราได้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้ามันจะมีประโยชน์และมีโทษแล้วเฮ้แล้วถ้าเราจะใช้มันเราจะาระมัดระวังโทษเนี่ยด้วยพิธีการใดได้บ้างหมายถึงอุบายเครื่องออกไปผลคือบปลว่าเวลาที่เราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะทุกฝังนะ มันไม่ใช่ว่าโทษมันจะไม่มาด้วยคือมันมาด้วยกันทันตีบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็ลีกเรี่ยงโทษเอาเอาแต่ประโยชน์คือมันไม่ได้เพราะมันอยู่ด้วยกันไงคุณเอาไม้ท่อนหนึ่งขึ้นมาเฮ้ยปลายด้านนี้มัยังใช้ได้เอองั้นไม่ต้องใช้ปลายด้านนู้นแต่หยิบขึ้นมามันก็มาด้วยกันเหมือนเหรียญสองด้านคุณหยิบด้านหัวขึ้นมาแต่ไม่อยากได้ด้านก้อยมันก็ไม่ได้แล้วมันก็มาด้วยกันนี อาตมาท่านไหนๆมันจะมาแล้วเงินจะป้องกันยังไงไม่ให้อีกด้านหนึ่งไม่ให้อีกจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมามีโทษเกิดความไม่ดีขึ้นกับเราได้นี่ก็จึงเป็นอุบายก็ือเรื่องตีจอบไปผลนี่คือหัวข้อหัวเจ็อย่างแต่บูรกันทั์นี่คือจบแล้วนทุฝัง่งนะนี่คือถ้าสมัยวัยรุ่นนี่เขาก็จะมีศัพนี้ทาฟังว่า โอ้มันยาวไปท่านฟังไม่จบล่ะังางินฟังแค่นี้พอเลยจบละนี่จะได้รู้หัวข้อสันๆแต่ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมรัปปรุนเนี่เขาไม่ฉาบฉวยก็ต้องรอบครอบละเอียดลึกซึ้งเพราะฉะนั้นรายละเอียดของทเจ้าถานน่เจบประการมันเป็นยังไงเรามาบากันต้องยกตัวแม่เขาขึ้นก่อนแม่เขานี่คือเจ็ดอย่างเนี้ ไปใช้กับอะไรก่อนสิ่งที่ท่านยกเป็นต้นขึ้นมานั้นคือขันตังห้าพระเจ้าจึงได้เคยพูดเรื่องขันทังห้าไปแล้วถูกปะพูดเรื่องขันห้าไปแล้วแล้วก็จะมาซ้าเรื่องฐานะเจ็ดประการให้ลึกซึ้งลงไปเจาะลงมาตรงนี้แต่ดูฟังอยากจะฟังเรื่องขันห้าอะไรเป็นยังไงจัดไปแล้วสองสามตอนในตอนที่ผ่านมา ไปติดตามหาฟังได้วันนี้จะเจาะลงมาตรงเฉพาะฐานะเจ็ดประการที่ท่านให้เอาไปใช้กับขันดังห้าหรือยังมีของแถมด้วยนะของแถมนี่ยังมีวิธีการใครใ้ครวนสประการอีกด้วยเอาอันแรกก่อนก็คือว่าต้องรู้จักตัวของเขาในแต่ละตัวแต่ละตัวต้องรู้จักว่าขันหน้านี่คืออะไรรูปคืออะไร เวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรนี่ต้องรู้จักข้อนี้อา้าวเรารู้จักนี่คือยังไงคือว่ารู้จักอยู่ด้วยกันเนี่อรู้จักหรือยังเห็นกันทุกวันเนี่เรียกว่ารู้จักหรือยังรู้อย่างว่าเป็นยังไงมันไม่แน่ทวัเาางเพื่อนอยู่ด้วยกันบางียังไม่รู้ชื่อจริงกันเลยยังไม่รู้ด้วยว่าเกิดวันไหนหรือยังไม่รู้ด้วยซ้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร เอาถ้งจะไปเรื่อรู้จักกันได้ไงประเด็นอะไสิก็จะรู้จักกันจริงๆก็ต้องรู้จักกันในฐานะจิตยานี่แหละแล้วตัวเขาเป็นยังไงบ้างเราพุยกันไปแล้วนะรูปก็คือธาตุสี่ติดน้าไฟลมเวทนาก็คือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างหรือว่าจะเป็นเวทนาที่เป็นความรู้สึกผ่านทางต า, างหูจมูกลิ้นกายและใจ สัญญาคือความหมายรู้หมายรู้นี่ก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้หรือาการหมายรู้ในลักษณะที่เกี่ยวกับคำศัพท์บทบัญญัติต่างๆระบบสมมติขึ้นนี่ก็เป็นสัญญาได้สังขารหมายถึงการปรุงแต่งการปรุงแต่งให้สาเร็จรูปในแบบต่างๆ ปรุงแต่งรูปให้สําเร็จรูปโดยความเป็นรูปเราเอาดินเหนียวมาเป็นรูปถูกไหมเป็นท่าดินเสร็จแล้วกุนก็ปัน่นปัน่นปัน่ปนขึ้นมาเป็นตัวเลโก้เอาดินเหนียวมาเป็นตัวเลโก้ได้ไงมันข้ามจอดไปไกลเกินดินเหนียวก็เอาเป็นควายดินเป็นภาชนะดินก็นแล้วกันเอาจากรูปหนึ่งคือดินนะ ม, มาเป็นรูปอีกรูปหนึ่งก็คือหม้อนี่สำเร็จรูปเราขึ้นปรุงแต่งละ จะปรุงแต่งทางรูปก็ได้ปรุงแต่งทางความรู้สึกก็ได้เจนเรารู้สึกทุกข์ในอากาศร้นอนาทําใจใหม่ทําใจใหม่เข้าใจให้มันถูกว่าเออมันก็ธรรมดาอย่างนี้แหละนะไอ้ความรู้สึกทุกข์ในอากาศร้อนก่อนลดลงเวทนาก็ปรุงแต่งให้สมผัสรูปเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุขขึ้นมาได้ในภาษาเดิมนั้นส่วนวิญญาณก็คือการรู้แจ้ง รู้แจ่มันก็จะเจนแล้วมีแค่การรู้แจ่งรับรู้ทางต่างหูจมูกลิ้นกายและใจตัววิญญาณเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างกายและใจเป็นจุดที่จะนำสิ่งต่างๆบาบนอกเข้ามาสู่ระบบของนามเป็นตัวที่จะแยกความแตกต่างกันระหว่างมนุษย์จริงๆสิ่งมีชีวิตจริงๆกับพวก AI, artificial intelligence หรือว่าพวกปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลาย สิ่งไม่มีชีวิตเราก็ดูกันตรงที่ว่าวิญญาณเนี่ยแหละมันมีการรับรู้ไหมกันนั้นเองอันนี้คือตัวของเขาใ น, นบทยอ่ยอๆนะทุกฝั่งย่อๆนี่เพราะว่าละเอียดนะครับพระเจ้าพูดไปแล้วเมื่อ 3- าสตอนที่ผ่านมาปไปดูตามฟังกันได้สองเอพิโซดเต็มๆทีนี้นี่มันคือเรื่องหัวข้อทุกฝังแต่ว่าถ้าเราจะเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันของเราจริงๆนะเช่นคุณจะรอบรู้เข้าใจ สักอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องภาษางี้เป็นต้นนะหรือวิชาเคมีอ่ะหรือการบริหารธุรกิจอ่ะหรือการทําขนมอ่ะหรือการเขียนโปรแก ร, รมอ่ะหรือเรื่องอะไรก็ตามโดยที่เราจะศึกษาทําความเข้าใจให้มันละเอียดนี่กูเอาหลักการนี้ไปใช้งานได้เลยตัวมันเป็นยังไงเออนี่เอาทั้ง7ข้อเนี้ไปใช้งานได้เลย ตัวเาเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรื่องการทําขนมแป้งมันมีกี่ชนิดแล้วใช้ไข่หรือใช้ความร้อนยังไงแหม่คือเรื่องทำอาหารข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยถนัดนะจะมาแจกแจงว่าตัวมันเป็นยังไงมันก็อีกหลายอย่างใช่เหมหรือเอารถยนต์ก็ได้รถยนต์เนี่ยมันเป็นยังไงโหมันจะมีเรื่องยนต์หลายแบบ ถ้าเรื่องสันดาปภายในเรื่อ internal combustion engine อ๋อวนี้มีระบบไฟฟ้าด้วยนะไฟฟ้านี่ก็มีแบบครึ่งคร่งไฟฟ้าหรือไฟฟ้าทั้งคัน all electric คือ A E V บางทีก็เป็นระบบขับเคลื่อนโดยไฮโดรเจนแล้วระบบช่วงล่างเป็นยังไงระบบกันชนเป็นยังไงระบบแอร์เป็นยังไงระบบระบายความร้อนนี่กุต้องรู้หมด ร่างกามยมนุษย์นี่ก็เหมือนกันแต่เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็ต้องรู้เข้าใจระบบต่างๆนี่ว่ามันเป็นยังไงทํางานต่อเนื่องกันยังไงระบบย่อยอาหารเชื่อมไประบบเลือดอย่างไรเชื่อมไประบบทางเดินหายใจยังไงเชื่อมไประบบน้ําเหลืองอย่างไรเราก็ยังต่อไประบบประสาทเพราะนี้คุณต้องเข้าใจหมดแหละคือนี่คือเข้าใจตัวเขาหัวตัวเขาเนี่ยแยกแยกแจกแจงมา รายละเียดต่างๆเป็นยังไงนี่คือในประการที่หนึ่งถ้าเราเข้าใจในฐานะที่หนึ่งนี้นี่คือคุณฉลาดแล้วในหนึ่งฐานะของเจประการนี้แค่นี้ไม่พอทุกฝังต่อไปก็ยังมีอีกคือความเกิดขึ้นของเขานี่เป็นยังไงเาแต่พูดถึงความเกิดขึ้นของรูป มันก็ต้องมีอาหารที่เรายกตามแม่บอกก่อนนะคือพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องขัน่าขาน่าเหตเกิดก็คือต้องมีอาหารใช่สิถ้าเราไม่กินอาหารเราก็โตมาไม่ได้ใช่ไหมจะระบบสมองจะการเห็นภาพจะการได้ยินข่าสารอาหารนี่ตาบอดได้นะหรือกระดูกปรุนได้ ประาสัมผัสเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ต้องมีอาหารรวนเจ้าเวทนาสัญญาพวกนี้มีเหตุเกิดมาจากภาษะมีภาษาแล้วจึงมีความรู้สึกคือเวทนามีภาษาแล้วจึงมีความหมายรู้คือสัญญาถ้าไม่มีภาษะเวทนาสัญญาเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอาหารรูปอยู่ไม่ได้ เรดูง่ายๆแค่นี้ส่วนเจ้าสังขารในที่นี้ท่นานอธิบายโดยใช้คมภาษะมีภาษาจึงมีสังขารด้วยจริงๆแล้วจะมีสังขารการปรุงแต่งใช่ไหมมันแค่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ได้หมดเลยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดจากอะไรล่ะกม็มีการกระทบกันนั่นคือภาษะหรือในย่าหนึ่งคำวา่าเราเอาเรื่องความไม่รู้ก็ได้อวิชชาพราะมีอวิชชาจึงมีสังขาร วิชานี่ยหมายถึงความไม่รู้เอ๊ะทำไมมีการกระทบเนี่ยมันถึงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้เอาก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างงี้จะให้ทำยังไงเฮ้ยทำไมอธิบายอย่างนี้เอายกตัวอย่างก็ได้อ่ะดูน้ําแข็งอ่ะน้ําแข็งมันเป็นของแข็งที่อุณหภูมิศูนย์องศาใช่ปล่าล่ะอารทเมเนียนเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกว่าอ๋อก็การจัดเรียงตัวของโมเลกุมลกมันเปลี่ยนแปลงไปอารทเมเนียนเป็นอย่างนั้น เอาก็หนูปูมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ gleichen, ทําไมมันต้องศูนมันมันไม่เป็นลบห้าทำไมไม่เป็นร้อยก็<ๆ>มันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมงงก็นี่ไงมันไม่รู้ไงว่าทําไมมันเป็นงี้ศึกษาต่อไปมันก็ยังมีที่ไม่รู้อยู่ต่อไปอีกไนงะคือมันก็ว่าอะไรที่เราต้องการจะรู้ใช่ไหมเราก็ต้องไม่รู้มาก่อนใช่ปะเราจะทําความเข้าใจสิ่งที่ไม่รู้เราก็พยายามขยายออกไปขยายออกไปยิ่งขยายไปมากเท่าไหรนะ่นั้นหว่างเราก็รู้สิ่งที่เราไม่รู้อะ ว่ามันมีมากขึ้น่ในในพูดตรงนี้ก็อยากอธิบายนิดหนึ่งมีอุปมาประใหม่ีป็นเปรียบเทียบอระใหว่าถ้าความรู้ของเราใช่ป ะ, อะตอนแรกๆยังไม่ได้เรียนอะไรสูงความรู้ระดับอนุบาลระดับประถมก็มีความรู้เท่ากับลู้ปิงปองอข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้พอเรียนความรู้มากขึ้น มันครูสอนอาจารย์บอกเราก็มีความรู้มากขึ้นไอ้เจ้าลูกปิงปองมันก็ใหญ่ขึ้นละ่ะเป็นเท่ากับลูกเทนนิสข้างในาคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ลูกเทนนิสก็ใหญ่มากขึ้นต่อไปเราก็เรียนมัธยมเรียนระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปหาหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้จากเท่าลูกเทนนิสมันก็ใหญ่เท่ากับลูกฟุตบอลขึ้นมาล่ะความรู้คำเพิ่มขึ้นข้างในคือสิ่งที่รรู้ข้างนอกคือสิ่งที่ไม่รู้ คุณเ ง, งจะสังเกตเห็่าไอ้เส้นรอบหิวเนี่ยนะของลูกปิงปองเนี่ยมันน้อยใช่ไหมเส้นรอบหิว ค, คือความใหญ่ของไอ้เจ้าลูกฟุตบอลมันมากกว่าเอาต่อไปคุณก็เรียนความรู้ปริญญาโทนุ่นปริญญาเอกนู่นเลยเนี่ยจากสิ่งที่เรารู้มันมีแค่นี้เท่าลูกฟุตบอลมันก็ใหญ่เพิ่มขึ้นเท่ากับลูกบาสเกตบอลลูกบาสเกตบอลนี่ใหญ่กว่าลูกฟุตบอล ข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้เส้นรอบผิวก็เพิ่มขึ้นนียเพราะเส้นรอบผิวเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดสัมผัสระหว่างข้างในคือที่รู้กับข้างนอกคือที่ไม่รู้มันก็านมากขึ้นอีกทุบละทาให้พอเราเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นจากที่ขนาดเท่าลูกเปลงปองที่ไม่รู้มันก็แค่เท่าเส้นรอบผิวของลูกเปลงปองท่าั้นแหละมันนิดหน่อยแต่พอ เรียนสิ่งที่รู้มากขึ้นความรู้ใหญ่เท่าลูกบาสเกตบอลเส้นรอบผิวที่ไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่รู้มันใหญ่ขึ้นอีกตามนะก็ทาไม่รู้ว่าเเราก็ไม่รู้อะไรที่มากขึ้นนี่นี่พบว่าเราไม่รู้มากขึ้นนะเอาแล้วคุณเรียนความรู้นีมันมากขึ้นหรือมันรู้ว่าไม่รู้มากขึ้นกันแน่เมื่อไรยิ่งงงเง้เขาไปใหญ่ดูวะไอ้ตรงนี้แหละคือวิชามันบังออกไ้ แล้วส่วนเราเรารู้หรือเราไม่รู้กันแน่แล้วนี่นะนั่ไม่ใช่คําถามหรือว่าคล้อยคิดทางปรัชญานลยเราฟังเพราะนี่มันคือความจริงอ่ะเส้นรอบผิวของบาสเกตบอลมันใหญ่กว่าเส้นรอบผิวของลูกปิงปองนะอ๋อมันก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแบบว่าถ้าเส้นรอบผิวมันไม่ใหญ่ขึ้นแล้วข้างในมันจะเพิ่มขึ้นได้ไงนี่ไงมันจึงค้านกันเองแย้งกันเองก็เรียกว่าเป็นปรัดอก เอาแล้วไงมันถึงจะถูกกันแน่าร adox น่แหละมันคืออวิชชามันแย้งกันเองแล้วมันคืออะไรจริงกันแน่ไม่รู้อะเอางี้แล้วกันมีภาษามีภาษามันก็มีสังขาระมันมีการกระทบกันอะไรกันมามันก็มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วการที่เราจะมาศึกษาให้ความรู้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ปัญญาในทางโลกิยะนี่นะมันไม่จบไงมันก็จะไล่ต่อไปเรื่อยๆ หมอคุณเรียนจบมาแล้วก็ต้องไปต่อเฉพาะทางต่อเฉพาะทางนี่มันอีกกี่สาขาเนะ่โอ้อยเยะว่าไปเลยสิบ0สิบมันเป็นร้อยนู่นอ่ะเดี๋ยวนี้มีสาขาการยืดอายุไปอีกโอ้เจาะลงไปโอ้ยเยอะม า, านั้นกระบวนการทางชีวเคมีนี้พูดกันไม่จบอะจำฝังมันเยอะมากพอรู้เรื่องอะไรมากขึ้นมันก็ไป้านกับทฤษฎีเก่าที่รู้มากลายเป็น รู้ไม่จริงอีกเรื่องระบบการย่อยอาหารที่มาก่อนว่ า, าตรงน้ำมันพืชน้ำมันหมูไม่ดีเดี๋ยวนี้น้ำมันหมูกลับตีน้ำมันพืชกลับไม่ดีเอ อ, อความรู้มันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่รู้แล้ววิชาไงรู้ไม่จริงรู้ทางโลกนี่มันไม่มีที่จบไงจึงต้องมาทำความรู้ความเข้าใจในภายในตัว น, นี้ท่านจึงยกใช้พัษะขึ้นมาพืทจ เข้าใจถึงเจ้าตัวสังการว่าเออมันมีเหตุเกิดนะไม่ได้เอาอาวิชชาเพระหว่า น, นี้อยู่ในบริบทของเรื่องขันห้าถ้าเราจะยกเรื่องอวิชชาว่าเป็นเหตุเกิดของสังขารก็จะอยู่ในบริบทของปฏิจจสมุปบาทสังการนี้หมายถึงสังสารวัตรเลยการมีอยู่ของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือสังขารเพรอเป็นปรุงแต่งหมุนมั่ววนกันไปหมดนั่นคืออวิชชาค้ากันอยู่ อาศัยกันอยู่แต่โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปรับเปลี่ยนนั่นนี่ก็ภาษาหนึ่นงภาษาจึงเป็นเหตุเกิดขึ้นของทั้งเวทนาสัญญาและสังขารส่วนเจ้าวิญญาณวิญญาณคือการรู้แจ้งนั้นมีเหุเกิดมาจากนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณนามรูปนี่คืออะไรเขาก็ต้องมีหูไง มาแล้วก็มีเสียงไงจึงมีการรู้แจ้ง่างหูคือโสตวิญญาณถ้าบอว่ามีหูแต่ว่าไม่มีเสียงมันจะไปมีการรับรู้เกิดขึ้นในช่องทางใจได้ยังไงไม่ได้เออใช่หรือถ้ามีเสียงแต่ไม่มีหูล่ะมีรูปแต่ไม่มีนามเออมีเสียงแต่ไม่มีหูอ่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ดี ความรู้แจ้งนันเกิดไม่ได้มันจึงต้องมาด้วยกันจ ะ, ปะเปลี่ยนจากรูปตัวเนี้ยเป็นนามเข้ามาต้องมีวิญญาณมีนามรูปจึงมีวิญญาณนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่องอย่างเช่นคุณกลิ่นอย่างเงี้ยตอนเนี้ยทุกฟังได้กลิ่นอะไรไหมก็ถ้ามันไม่มีกลิ่นมันก็ไม่ได้กลิ่นละมันก็จะไม่มีการรู้แจ้งทางจมูกคือการนวิญญาณแต่ถ้าคนเป็นโควิดอ่ะเป็นโควิดนี่จมูกมันจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเอาะมีกลิ่นไมเนี่ย โอ้ไม่รู้เลยว่าตอนนี้เป็นโควิดอยู่ อ, อ้าวจมูกมันรับกลิ่นไม่ได้ประสายการรับกลิ่นมันพลังชั่วคราวก็คือพอไม่มีรูปคือจมูกนี้แล้วไม่มีรูปคือกลิ่นแล้วไอ้การรับรู้คือวิญ ญ, ญาณคือนามมันก็ไม่มีไงนามรูปมันจึงต้องประกอบกันแล้วจึงจะให้เกิดมีวิญ ญ, ญาได้นี่คือเหตุเกิดของเขาทีนี้เรามาทําความเข้าใจเรื่องอื่นด้วยนะ เรื่องอื่นๆไม่ว่าจะการงานความรู้ด้านใดความสัมพันธ์เราก็ต้องรู้ถึงเหตุเกิดกันมาก่อนเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้เพราะอะไรการเงินการธนาคารมีเพราะอะไรเรื่องวิศวกรรมสิ่งนี้ความรู้อันนี้เกิดมีได้เพราะอะไรเราต้องรู้เหตุเกิดของเขาอย่างเช่นระบบเศรษฐกิจนี่ก็เพราะว่ามีอุปสงค์อุปทาน มีความต้องการซื้อมีความต้องการขายมีความต้องการการแลกเปลี่ยนมันก็จึงหมุนกันได้บวนกันได้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจขึ้นมาได้หรือรถยนต์จะไม่มีรถยนต์ขึ้นมาได้อไไดโอ้เพราะว่าสิ่งนี้สิ่งนี้มาประกอบกันระบบเครื่องยนต์นี่เป็นสัญดาภายในอย่างนี้อธิบายการทำงานของเขาได้อย่างนี้อย่างนี้เหล็กมาประกอบกันอย่างนี้อิ เ, อเลเ็กโรแมกเนติกมันไหลไปอย่างนี้ เพือแม่เหล็กไปอย่างนั้นหรือถ้าเป็นระบบเผาไหม้เอาห้องสันดาเป็นอย่างนี้อุณหภูมิเท่านี้คืออธิบายการทํางานเนี่มันต้องมีเหตุเกิดถึงกําลังเรื่องการส่งหมุนมอเตอร์บ้างคับเคลื่อนพราวบ้างหรือว่าถ้าเครื่องบินก็ใช้เครื่องยนต์เจ็ทที่มีการเผาไหม้อีกรูปแบบหนึ่งแต่เป็นเรื่องของหมอของยาก็ต้องมี กระบวนการต่างชีวเคมีที่จะอธิบายถึงการทํางานนั้นในโนนว่าทําไมมันถึงเกิดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงนได้เิ่นโรคเบาหวานเกิดได้ยังไงจะรักษาโรคหัวใจทํำยังไงต้องดูเหตุเกิดของเขานี่ประการที่2แล้วก็ประการที่3มที่มันจะมากู่กันก็คือความดับนั่นเองเราจะบอกว่าเอ๊ะเหตุเกิดนี้มันถูกต้องหรือปเปล่าก็คือว่าถ้ามันดับไปแล้วไอ้เจ้าตัวมันนั้นนะ่ะ ดับไปไหมเขาบอกว่าสิ่งที่เราบอกว่าเป็นเหตุเมื่อสักุู่นี้มันดับไปแล้วตัวมันนั้นก็ดับไปด้วยนีย่เออนี่คือเหตุเกิดนั้นถูกต้องกรณีของรูปอย่างนี้มีเหตุเกิดมาจากอาหารใช่ไหมถ้าอาหารดับไปแล้วรูปดับไปไหมโห้แน่นอนเลยถ้าขาดอาหารก็ตายแล้วแหละเวทนาสัญญาสังขารด้วยเหมือนกันถ้าไม่มีผัสสะ เวท น, นาเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องดับไปสัญญากว่ามายรู้ด้วยสังการการปรุงแต่งด้วยยังรวมถึงสายอื่นๆทั้งหมดเลยด้วยนะนฟังนะอะาจว่าคุณมีเรื่องการพยาบาลได้เพราะอะไรโอ้โเพราะว่ามีการทำงานแบบนี้แบบนี้แล้วทำไมสมัยก่อนไม่มีโอ้ก็มีอยู่นั่นแหละแต่เขายังไม่ได้แบ่งแยกออกมาหมอกระดูหมอทางเดินหายใจ หมอทางเดินอาหารเดี๋ยวนี้เขาแยกกันหมดแล้วโอ้สมัยก่อนนั่คือหมอก็คือหมออย่างเดียวไม่ได้แยกกันไปแต่เพราะมันซับซ้อนลึกซึ้งขึ้นมามันก็ต้องแยกใช่ปะ่ะแต่ถ้าบอกว่าคนเรามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนลึกซึง้งมันก็ดับไปไงไอ้ความที่ว่าจะต้องแยกเป็นหมอประเภทนั้นประเภทนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะการดับเนี่ยจะเป็นการตรวจสอบว่าไอ้เหตุเกิด น, นั่นน่ะมันถูกต้องไหม ถ้ามันใช่ของกันและกันดับกันแล้วมันก็ต้องดับไปเรื่องเครื่องยนต์นกลไกเรื่องความรู้อะไรก็ตามถ้าเผื่อว่าไม่มีสิ่งที่เป็นเหตุเกิดมาแล้วถ้าตัวมันดับไปได้อันนี้ถือว่าถูกละเราเข้าใจลักษณะการทํางานของมันอย่างดีละตัวอย่าครั้งหนึ่งนะคือตัวมันใช่ไหมสอเหตุเกิด3ความดับนะทันี้ข้อที่สี่ก็คือ ข้ปฏิบัติให้ถึงความดับของสิ่งนั้นก็ถ้าจะดับมันก็ดับไปเลยนี่อย่างเช่นถ้าเราไม่ต้องการให้มีรูปก็ต้องอาหารดับใช่ปะ่ะนี่อาหารดับก็ไม่ต้องให้อาหารนะสิก็จะให้ตัวรูปมันดับไปไม่ให้อาหารมันก็ดับไปแล้วถูกปะ่ะแต่ลักษณะการดำอย่างนั้นเนี่ยธรรมฝังมันจะเป็นก็พูดยังไงคือฆ่าตัวตายอ่ะก็ไม่ได้ให้อาหารมันก็ดับไปใช่ปะ่ะ นี่คือลักษณะความเข้าใจที่เหนือชั้นในตามพระพุทธศาสนาเข้าไปอีกช็อตหนึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการปัญหาคุณก็ปัญหาเกิดที่ไหนอ่ะเกิดที่รูปก็ทําลายรูปมันเลยคือฆ่าตัวตายเลยถ้าต้องการพ้นทุก็ฉันก็เลยทําลายเจ้าตัวทุกนี้ซะทาลายตัวทุกจทำยังไงก็ถ้าคนนั้นมันจะไม่ทุกก็ไปฆ่าเขาซะหรือถ้าสิ่งนั้นทําให้ทุก ก็ไปทำลายสิ่งนั้นซะหรือปัญหามันเกิดจากเรื่องนี้ก็ด่าทอทำลายล้างคนนั้นซะแต่ที่มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาไงทุกังเพราะว่าถ้าเราทำลายรูปเดี๋ยวรูปมันมีเหตุเกิดอีกมันก็เกิดอีกใหม่อยู่ดีเอาถูกปะละ่ะเออถ้าสมมุติเราดับอาหารใช่ปะดับอาหารรูป ก, ก็ดับไปแต่ว่าขอไปนะถ้ามันยังมีอาหารกลับมาอีก รูปก็กลับมาอีกเอา้าถูกปะละ่ะเออใช่ภาษาเอาดูภาษาก็ดับภาษะใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารก็ดับไปอ่ะดับได้อยู่แต่ว่าถ้ามีภาษะเกิดมาอีกอเวทนาสัญญาสังขารก็กลับมาอีกนะ่ะออใช่ฮะดับเบิลเช็คนะตรวจสอบดูนามรูปละ่ะท่านบอกว่านามรูปเป็นเีตเกิดของวิญญาณใช่งี้ยก็ดับนามรูปมันเลย ฟาดมันเลยตีมันเลยหรือใส่น้ำกรดเลยไม่รู้ละให้มันดับยังไงก็สักวิธีใดวิธีหนึ่งดับแล้ววิญญาณนี่ไม่มีแต่ถ้าน้ำรูปมันมามีอีก้วิญญาณก็กลับมาอีกนะเออใช่เว้ยระบบเศรษฐกิจด้วยมีอุปสงค์มีอุปทานถึงมีระบบเศรษฐกิจหลานั้นก็ไม่ต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วกันละอย่างจบไปเศรษฐกิจไม่มีโอเคจะแก้ปนะัญหาเศรษฐกิจ ก็เพิ่มอุปสงค์ลดอุปทานปรับตรงนี้ไปแต่ว่าถ้ายังมีอุปสงค์ประจานอยู่ระบอบเศรษฐกิจมันก็กลับมาอีกนะปรับกันเนี่ยให้วุ่นเลยเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้แค่ฉาบฉวยในลักษณะที่ว่าก็มีเหตุเกิดได้มาดับมันก็ดับแล้วเงี้ยแต่มันต้องมีวิธีการวิธีการให้ถึงความดับสนิทวิธีการที่ทาให้ถึงความดับไม่เหลือโดยวิธีการนั้นนะ จะต้องมีประโยชน์ทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ผู้อื่นและทั้งสองฝ่ายมีประโยชน์ทั้งในเวลานี้ในเวลาต่อมาและในเวลาต่อไปต่อไปอีมีประโยชน์ทั้งตัวสิ่งที่จะทำให้ดับนั้นมีประโยชน์ทั้งในขณะที่ลงมือทำและเสร็จแล้วก็ยังมีประโยชน์อยู่นี่ประโยชน์สามชั้นแต่ละชั้นนี่สาอย่างนะ โอ้ก็ก้าวยากเลยใช่ปะ่ะอะไรล่ะก็ะจึงยกเรื่องอริยมรรคมีองแปดขึ้นมาดูฝังไม่ให้กลับกําเริบอีกไม่ให้สิ่งนั้นเนี่ยที่เรา刚刚พูดถึงรูปปิธนาสัญญาสังขารและวิญญาณกลับกําเริบขึ้นมาอีกถ้าเราปฏิบัติตามบริบบรมรรคมีองแปดให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกคือความดับไม่เหลือของเจ้าขนาันห้าต่อให้เอามีปัสสะ เวทนาสัญญาสังขารไม่เกิดแล้วต่อให้มีอาหารที่บอกอาหารเป็นเหตุเกิดของรูปโนโนโนโถ้าคุณปฏิัติตามมรรคแปดให้ถึงที่สุดจบของทุกนะอาหารมันมีไม่ได้เพราะที่นั้นมันไม่มีอาหารรูปมันจึงไม่มีผัสสะมีไม่ได้เพราะที่นั้นไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาสังขารจึงไม่เกิด พอเราปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วเข้าสู่สถานที่ที่นามรูปอย่างลงไม่ถึงนามรูปอย่างลงไม่ถึงวิญญาจะตั้งอยู่ได้ไงไม่ได้มันไม่เกิดอีกไงเพราะฉะนั้นท่านจึงมีความเฉียบคมมากรัดกลุ่มรอบคอไม่ละหลวมบอกไว้ว่ามรรคแดนี่แหละเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขาร แล้วิญญาณทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างหรือว่าอริยมรรคมีองค์8องค์ประกอบ8อย่างนั้นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัม a ากมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสมาสมาธิสมงในเบื้องต้นจะงงว่าเออถ้าปฏิบัติตามองค์ประกอบ8อย่างนี้แล้วมันจะทาให้ดับ ภาษาได้ยังไงมันจะทำให้ดับเจ้าอาหา ร, รต่างๆได้ยังไงใช่เพราะว่าทางนี้ตูมฝังเหมือนแม่น้ำนะคุณล่องไปตามกระแสน้ำนี่คุณไปถึงทะเลยงไงเข้าใจปะไอตอนนี้มันยังก็เป็นบกเป็นป่าเป็นท้องฟ้าเป็นภูเขาริมหนทางเป็นแม่น้ำฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ออกทะเลเนี่ยโอ้คุณเรื่องนะ น้ำรสชาติก็นม่เหมือนกันละจืดกัเค็มนี่เราบดบตามักแปดเนี่ยมันก็ยังมีผัสสะนั่นแหละผมยังเจอเรื่องเวทนายังเจอสัญญาเจอผู้คนสุขบ้างทุกบ้างผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเฮ้ยผมก็แล้วมันจะยังไงโอ้แตบบ่ว่าเราบดบตามักแปดไปนะนู่นนะนิพานนะมีนิพานเป็นที่สุดจบนะให้เราจะรู้ได้ไง ก็ท่านสำเร็จมาแล้วไงท่านไปมาแล้วพระบุตรเจ้านี่เดินทางนี้จนถึงที่สุดแล้วแล้วมาบอกไว้ทำแผนที่ให้โอเคทำแผนที่ให้เริ่มเข้าใจละก็เราไม่เคยไปที่นั่นจะมาละมีคนก็าทำแผนที่แล้วเราก็ตามแผนที่มันก็ไปถึงเหมือนกันนะ่ะทีนี้ก็ต้องดูแผนที่ดีๆนะดูให้เป็นแล้วก็ต้องแหล่งข้อมูลของแผนที่นะมันถูกไหมที่เราจะพูดถึง คำสอนในศาสนาอื่นๆะมีเยอะแยะทุฟังแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นด้วยเขาก็มีการทำแผนที่บอกเส้นทางอะไรกันนะ่ะแต่ว่ามันไปไม่สุดเป็นแผนที่ไม่ตรงบอกนะ่ะอาจจะได้บ้างอาจจะได้อยู่แต่ไม่สุดเหมือนซื้อของมาบางอย่างไม่ตรงบนะอกไงแต่ว่าได้อยู่นะ้าปลอบใจตัวเองไปแล้วคือคำสอนบางอย่างบางที่บางเรื่องบ่วง ก็ดับทุกได้ตามแต่ระดับของคําสอนนั้นๆหรือว่าจะลดการเบียดเบียนลดปัญหาต่างๆได้ไหมแต่ถ้าจะให้สุดถึงนิพพานเนี่ยมันจะไม่สุดในคําสอนอื่ น, นๆต่างๆ ท, ที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าของพระพุทธเจ้านี่คือบริสุทธิ์บริวณสิ้นเชิงคือแอบสุดคือมันสุดจบแล้วกระบวนการระหว่างนั้นก็ดีด้วยนี่นคือทั้งตรงปกแล้วก็ได้ไปตามสเปคเลย ทีนี้หปฏิปทาหรือว่าวิธีการที่จะถึงความดับของสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นๆในทางโลกใ น, นระหว่องอันนี้คือเราก็ต้องคิดหาวิธีการแล้วบางีการ จ, จะต้องเดินทางอ้อมบ้างเดินทางตรงบ้างใช้สิ่งอื่นมาช่วยบ้างเพื่อที่จะให้แก้ปัญหาอะไรต่างๆที่เราไปทํางานอยู่ไม่ว่าจะในโรงงานวิชาการเรื่องใดหรือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมือง ประเด็นก็คือวิธีการนั้นจะต้องไม่เบียดเบียนใกลๆเบียดเบียนน้อยที่สุดเป็นประโยชน์ต่อทุกๆฝ่ายเป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันต่อไปและต่อไปอีกลัการนี้เอาไปใช้ได้ในทุกอย่างเลยในหวังลัการนี้ครับจะหมายถึงองค์8ประการอันประเสริฐนี่แหละนะเอาไปใช้ในการทำวิทยาศาสตร์คุงก็อย่าด่าใครอย่าคิดร้ายกับใครรักษาศีลไว คุณอไปใช้ในทางการเมืองตัวอย่าด่าใครไม่คิดร้ายกับใครรักษาศีลไว้ธรมจิตที่มีกำลังมีเมตตาคุณเอไปใช้ในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์ได้หมดอย่าคิดร้ายกับใครรักษาศีลไว้มีเมตตากันพูดดีๆกันได้หมดฟังวิธีการอะไรก็ตามที่เราจะทำ อยู่ตัวอย่างคู่เปรียบเทียบดีกว่าเปรียบเทียบส่วนต่างขึ้นฮะอ้าฉันต้องการรักษาสันติภาพในโลกรักษาสันติภาพจะทาไมประกาศสงครามมาเออเพื่อให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคยุโรปอ่าขอตีมันก่อนขอระเบิดประเทศมันก่อนเอยเนี่ยสงครามเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพมันฟังไม่ขึ้นเลยมันย้อนแย้งกันน่ะ เพราะฉะนั้นต้องมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้ในทุกๆเรื่องที่เราดำเนินไปนนจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามจะคิดค้นเรื่องอะไรก็ตามต้องมีองค์ประกอบ8อย่างนี่คือประการที่ส4สีประการยังไม่บอลฟังคือ4ประการีนตามหลักเรื่องของเริยสัีละจะว่าพอก็จบได้ที น, นี้ย่อต่อเข้าไปถ้าจะให้สูงขึ้นไปอีก ละเอียราบคอบลึกซึ้งรัดกุมกเขาไปอีกก็จะมีอีกสามอย่างคือประโยชน์โทษอันต่ำซามและอุบายก็เรื่องออกจากโทษนั้นก็คือหมายความว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอย่างไรในที่นี้ท่านใช้คำว่าอาสาธ่อาสาธ่หมายถึงคุณหรือประโยชน์ที่เราจะได้รับห ล, หลักๆก็คือสุขสมณะนั่นแหละ ที่เราจะได้จากสิ่งนี้สิ่งนี้หรือราว่าทุกๆคนมันก็รักสุขเกลียดทุกันทุกคนจะให้เกิดประโยชน์ได้เอาก็ต้องทําัไงให้มีความสุขมีความสุขมีความโซมนัตนั่นคือประโยชน์ที่เราหาบางครั้งมันก็ให้ประโยชน์กับเราอะไรก็ตามบางครั้งมันก็ให้โทษกับเราก็หมายความว่ า, าความสุขมันหายไปความสุขมันจางไปบ้างจากสุขมากหรือสุขน้อยนี่มันก็ถูกแล้ว สุกน้อยจนเหลือไม่มีมันก็ทุกเพิ่มขึ้นนี่ทีนี้สุขนี่มันกลายเป็นทุกไปเลยโว้นี่มนนะมันยิ่งมากเลยทุกยิ่งมากขึ้นเห็นไหมว่าถึงแม้มีสุขนะเมื่อมีทุกแฝงในตะัวกขฝังจากสุขมากมาเหลือสุกน้อยๆหน่อยนี่มันก็ทุกแฝงอยู่ในสุขนั่นแหละมันจึงเจือกันเนี่ยคนอ่านที่ว่าสุขเจือมากกับทุกนี่คือเป็นลักษณะของมันโลกเนี่ยเป็นอย่างนี้ มีทุกเจือมาในสุกนั้นอยู่แล้วในความที่ว่าสูกนั้นมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆอร่อยอร่อยเนี่ยตอนกินเนี่ยขณะที่กินเลยเนี่ยนะอร่อยมากเลยนะลองดูเขีย่ยๆไปเจอแมงสาบว่าไงอะเฮ้ยไอที่อร่อยที่มันม้อนโหมดเลยนะที่เข้าไปอยู่ในท้อง น, นี่กลายเป็นยิ่งไม่อร่อยเลยนะพูดแมงสาบนี่ก็แรงไปท่านเอาเส้นผมนี่ก็พอ บทความอะไรมันหมดไปสุขเนี่ยมันมีทุกเจือเพราะว่าความที่สูงนั้นมันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างระวังให้ความสุข ก, กับเราได้หมดเนอะบางคนชอบเจ็บๆด้วยซ้ําที่บวชทุกขเวทนาทุกขเวทนาทุกขเวทนาแล้วชอบก็มีบางคนนเพราะว่าความที่เราบอกว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บเนี่ยมันมันไม่ใช่เวทนามันเป็นสัญญามันปนๆกั น, น อ, อยู่ทีนี้อะไรก็ตามที่ให้ สุกได้เราเปลี่ยนทัศนคติได้อะไรได้ผู้นีนมันคือเป็นรสอร่อยตนใจกว่านิสรณะนะส่วนทษอันต่ําซามก็คือความที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละหันหน้าไม่เที่ยงสายวิชาชีพไหนก็ตามไม่เที่ยงปัญหานั้นไม่เที่ยงหนี้ไม่เที่ยงเศรษฐกิจไม่เที่ยงคือจริงถ้าจะให้รัฐกลุ่มกว่านี้ไอ้เจ้าไม่เที่ยงนะี่มันคือสุขที่มันเกิดขึ้นกับเราเนั่ยแหละประโยชน์ข้อดีที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ย มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนตลอดนี้อยู่ต่อไปได้เศรษฐกิจมันก็มีวงรอบกันว่ามันก็จะดีมันก็จะแย่ตามวงรอบรอบ12บปีรอบ80ปีบ้างอยู่ที่รอบเล็กรอบใหญ่พอมีวงรอบอย่างไงี้มันก็ต้องมีตัว correction ที่มันกลับมาสู่ฐานในช่วงไม่ดีมันอาจจะมีสัก2ปี3ปีช่วงดีๆก็ฟาดไป12ปีกลับไปกลับมาอย่างนี้ เป็นแบตเตอร์นมีแน่นอนเจาะจงมาเลยให้ความไม่ดีนั่นคือความยุรไม่เที่ยงส่วนประการสุดท้ายคือู้บายอุบายในการที่จะสลัดออกจากโทษนั้นเพราะว่าคุณกับโทษนี่มันมาพร้อมกันไงทุงฝังโทษในที่นี้เราพูดถึงความไม่เที่ยงใช่ป่ะเอาเราได้ปรโยชน์จากสิ่งนี้อยู่ คุณได้ประโยชน์จากอาหารอยู่คุณได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คุณนำมาใช้งานรถยนต์เรื่งต่างนั่นนี่มีประโยชน์ให้ประโยชน์ที่มาเนี่ยที่โทษเราพูดถึงคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมันอยู่ในประโยชน์นั้นด้วยแล้วเลยเราจะไปแยกกันได้ยังไงเพราะมันมาด้วยกันเหมือนเหรียญสองด้านเหมือนไม้ท่อนหนึ่งมันก็มาทั้ง2ปลายทีนี้วิธีการป้องกันหนิงที่สาคัญ พุธิการที่ว่าเออถ้าโทษมันมาแล้วเราจะทําความเข้าใจทําจิตยังไงให้ไม่ได้รับโทษจากมันมากเท่าไหร่ที่จะมีโทษมากก็บเบาบางลงถึงเวลามันเปลี่ยนแปลงเวลาเค ย, เ ย, เยทำใจได้ลักษณะอุบายเครื่องออกตรงนี้ตนใจกับว่านิสรณะนิสรณะคืออุบายเครื่องออกไปพ้นจากโทษของมันส่วนเรื่องโทษนี่ตันใจกับว่าอารีนวะ อาทินวะคือโทษนิสระณนะคืออุบายเรื่องออกจากโทษนั้นถ้าอาทินวะโทษนั้นคือความที่มันไม่เที่ยงใช่ป่ะเราจะป้องกันความไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าไปพยายามปรับให้มันเที่ยงไม่ใช่เพราะว่ายัางไงมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของมันเราเข้าใจเหตุเกิดเราเข้าใจความดั บ, เ ร, เ, ธธดบเราจะเข้าใจตรงนี้ได้เราก็ใจเหตุเกิดเราเข้าใจความดับเราเข้าใจปฏิปไต่ถึงความดับเราจะเข้าใจโต้ตรงอาทินวะเราจะเข้าใจว่าเราไม่ได้ไป ปรับให้มันไม่มีโทษแต่เราจะอยู่กับโทษยังไงให้อยู่กันได้เราเข้าใจแล้วว่าเราอยู่กับโควิดเราอยู่กันได้เราอยู่กับเอชเราอยู่กันได้จะไม่ทำให้มันหมดเชื้อไปเลยมันหมดไม่ได้อยู่กันได้ทํงไงอยู่กับโควิดก็ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือรู้จักที่จะรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็อยู่กับมันไปเป็นไข้เป็นอะไรก็อยู่กมันไป เช่นเดียวกันจะอยู่กับความไม่เที่ยงได้ไม่ใช่ไปปรับให้มันไม่เที่ยงคือไม่ใช่ไปปรับให้มันเที่ยงมันทําไม่ได้ใช่ไหมเราจะอยู่ความไม่เที่ยงได้อุบายนั่นคือให้มีปัญญาไงให้เห็นความที่ว่าเวทนามันไม่เที่ยงอ่ะให้เห็นว่าสุขมันไม่เที่ยงเป็นอย่างเงี้ยให้เห็นความไม่เที่ยงคือเข้าใจว่าความไม่เที่ยงเป็นโทษใช่ไหมแล้วก็ให้เห็นความไม่เที่ยงว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้แหละ ธรรม ด, ดาแบบนี้พอมันเปลีป่ย น, นแปลงไปแล้วนะโอเคฉันก็จะไม่ทุกมากให้โทษที่มันจะเกิดขึ้นรุนแรงแรง้ายแรงให้เราเครียดนั่นนี่มันก็จะไม่เครียดมาไม่ทุกมากเนี่ย จ, จะเป็นอุบายในการที่จะรักษาไม่ให้โทษนั้นมันมาเป็นทุกข์กเรามากคือให้เกิดปัญญานั่นเองปัญญามีความเข้าใจว่าโอเคมันไม่เทียงกับธรรมดาให้เห็นความไม่เที่ยง เพราะว่าความไม่ที่ยงจะเป็นตัวกําจัดความกําหนัดยินดีในประโยชน์ของเขานั่นไงถ้ามันมีรสอร่อยคืออาสาท่าอย่างดีงามมากเลยจะเกิดโทษทันทีเลยนะถ้าเรายึดถือมีความกําหนัดในรสอร่อยนั้นเราก็จึงต้องกําจัดความกําหนัดความพอใจความเลิ่อนเลินในข้อดีในประโยชน์ของมันอย่าเลิ่อนอย่าลุ่มห ล, ลงในประโยชน์ของมัน handler. เพราะว่าถ้าเลืนลุ่มหลงในประโยชน์ของมัน โทษมันตามมาทันทีโทษมันมีอยู่แล้วมันจะให้เราทุกข์มากถ้าเรากำหนัดยินดีแต่เราจะไม่ให้มันทุกข์มากไม่้โทษนั้นมามีปัญหากับเราเหมือนคุณอยู่กับโควิดให้ได้อยู่กับมะเร็งให้ได้อยู่กับเชื่อให้ได้ก็คือให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นไม่ให้มีความกำหนัดยินดีเห็นความไม่เที่ยงเป็นเหตุนะรหวังนะผลที่ต้องการคือไม่ให้กำหนัดยินดีเพลิดเพลินไปนในประโยชน์ของเขาพอไม่กำหนัดยินดีเพลิดเพลินแล้ว โทษอันต่ำทรามเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้โทษมันมีอยู่ก็จริงแต่เราอยู่เหนือจากตัวนั้นได้ไงสามารถที่จะได้ประโยชน์จากเขาเนี่เต็มเดมคือได้แล้วโทษก็ห่างกันใช้ประโยชน์ได้แล้วปฏิปตามมักแปดทางนี้ให้ถึงที่สุดจบแห่งทุกข์ได้ถึงนิพพานได้การเข้าใจฐานะทั้ง7ประการนี้ต้ระวัง นี่คือที่สุดละแบบคนที่เข้าใจในทั้งเจ็ดเรื่องนี้ก็เอาปริญญาให้เลยปริญญาเอกเลยปริญญาคือการรอบรู้จริงๆเลยเป็นผู้มีความรอบรู้ในขันห้าเป็นผู้มีความรอบรู้ในสิ่งต่างๆแน่นอนด้วยไนยะคือหัวข้อและอาาัคต่าคือความหมายอย่างนี้ผู้บริจาท่านอย่างสอนต่อไปนะ่านฟัง มีการใคร้ครวญอีกสามประการซึ่งการใคร้ครวญสามประการกัประเจ้ากิวาจะมาต่อในสัปดาห์หน้าละวันนี้พูดถึงฐานะเจประการก็พอเปิดหัวไว้นิดหนึงทำฟังเบื่อให้เกิดความสนใจเข้าใจเบื้องต้นว่าพอเรามีความเข้าใจฉลาดในฐานะเจประการนี้แล้วนี่คือเรารบอกว่าเปลี่ยน paradigm ความคิดใหม่เลยนะ มีความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เอาให้คิดใหม่ได้คิดใหม่คือการไคร้ครวนโดยวิธีสามอย่างคือการไกล้ครวนโดยความเป็นธาตุการไกล์ครวนโดยความเป็นอจต น, นะและการพิจารณาไกล้ครวนโดยความเป็นวติจัตสมุปบาทซึ่งในทั้งสมการไกล้ครวนนี้จะมาพูดในสัปดาห์หนาด้ววันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องฐานะจิประการให้ครบถ้วน เสริมปัญญาของเราให้มีความคมให้มีความแก่กล้าขึ้นมาเป็นดินเสียนหนึ่งตงรรมบังจะทำให้เราสามารถที่จะปล่อยวางได้เร็วได้ช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี 5-6 ถึงโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่อ า, ายกองกลมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่าง สำหฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ Podcast, หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org e a n y a .org รายการนี้นำเสนอโดยบุญนิธิปัญญาเปาากับพระมหาใบู์หาพี่ปุโนโนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพอน